ตอนที่144อวดวิชาแพทย์เสียหน่อยสีหน้าของท่านผู้เทายวนและหูยินเทายวนเริ่มผ่อนคลายลงบ้างรวมถึงมองหลานชายทั้ง3คนที่เกิดจากลูกชายรองด้วยสายตาที่เอ็นดูขึ้นดูสินี่สิถึงจะเป็นหลานชายแท้ๆของตระกูลหยวนอย่างน้อยในใจก็ยังรู้จักจดจําปู่ย่าการไปห่วงยายคนอื่นมันใช้ได้ที่ไหนกันเจ้าใหญ่พวกเจ้าสองคนผัวมีกลับไปต้องสั่งสอนลูกให้ดีนะไม่กระตันยูต่อพวกเรานะี่ยไม่เป็นไรแต่หลักฐานของตระกูลเราจะปล่อยให้เปลี่ยนแท่ไม่ได้เด็ดขาด ย้นเฟยขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่มีทางดูด่าลูกชายเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แน่เห็นได้ชัดว่าสองสามีภรรยาบ้านรองตั้งใจประจบเอาใจคนแก่ทั้งสองคนพวกเขาสามารถเข้าใจการกระทำของเศร้าเหิงได้เพราะอย่างไรเสียก็มีบุญคุณที่เลี้ยงดูมาสิบกว่าปีหากเป็นคนเย็นชาไร้น้ำใจลูกชายคนนี้ก็คงเป็นคนไม่มีหัวใจแล้ววันนี้เป็นวันที่สองของเทศกาลตรุษจีนตระกูลหยวนไม่มีญาติมาอวยพรมากนักบรรยากาศในห้องนั่งเล่นจึงคล้อยตึงเครียดขึ้นไม่น้อย หยวนศร้าเหิงนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยไม่เอ่ยปากอธิบายแม้แต่คําเดียวเพราะเขาคร้านจะพูดไม่ใช่ว่าเมื่อครู่เขาไม่ได้อธิบายแต่ปัญหาคือพูดไปก็ไม่มีใครฟังเศร้าเหงิงแม่หยวนยกมือขึ้นตบหลังมือลูกชายเบาๆเป็นการปลอบประโยนสื่อว่าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเฮ่หยวนเย็นๆถลึงตาใส่พวกพี่น้องลูกพี่ลูกน้องจากบ้านอสอด้วยความโมโหทั้งสมคนนี้ไม่มีตรงไหนเทียบพี่ชายของนางได้เลยคุณปู่คุณยา่าก็ช่างหลอกง่ายเหลือเกินถูกคำหวานไม่กี่คําก็หลงเชื่อเสียแล้ว คุณผู้หญิงเท่าคุณท่านผู้เท้าคนเฝ้าประตูบอกว่าคนรุ่นหลังของตระกูลเจิ้งมาขอเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ครับเมื่อได้ยินชื่อตระกูลเจิง้งหยวนเศร้าเหิงก็ลุกขึ้นยืนจากโซฟาโดยสัญชตาตญาณให้พวกเขาเข้ามานั่งลงก่อนแม่หยวนสังเกตเห็นความไม่พอใจของพ่อสามีแม่สามีซึ่งดูท่าจะตำหนิว่าเศร้าเหิงไม่มีมารยาทท่านผู้ท่าหยวนพยักหน้าเล็กน้อยให้พวกเขาเข้ามาให้หมดเถอะ คนที่เข้ามาอวยพรปีใหม่เดิมทีนึกว่าเป็นพวกเจ้งางวินฉงแต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นคนรุ่นหลังจริงๆนั่นคือเจ้งเศร้าสิงเจ้งเศร้ายางสองพี่น้องและยังมีหลีหวานด้วยสองพี่น้องคุณเคยกับขั้นตอนการอวยพรปีใหม่อยู่แล้วคุณปู่คุณย่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณอาคุณนะสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นสิริมงคล น, นะคะหลีหวานเอ่ยคํำอวยพรตามมาติดๆดีๆลําบากพวกเจ้าทั้งสามคนแล้วที่อุตส่าห์มาไกลเพื่ออวยพรปีใหม่ให้พวกเรยายหญเท่าอ่งเปล่า ท่านผู้เฒ่าหยวนเห็นว่าเด็กทั้งสาคนนี้รู้จักมารยาทดีถึงแม้จะไม่ต้องไปมาหาสู่กับตระกูลเจิ้นก็ไม่เป็นไรแต่อ่งเปาที่ควรให้ก็ต้องให้ขอบคุณครับข้าคุณปู่คุณย่าทั้งสามคนกล่าวพร้อมกันเด็กดีอ่างเปาจากแม่หยวนเองก็ขาดไม่ได้เช่นกันหยวนเฟยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกชายของเขามีความสุขขึ้นทันทีที่เห็นทั้งสามคนพวกเจ้าสามคนมากันยังไงข้างนอกหนาวไหมหยวนเฟยบุ้ยปากให้พวกเขานั่งลงได้เลย ตอนเที่ยงก็อยู่กินข้าวที่นี่ด้วยกันนะอยากกินอะไรก็บอกอาสัยในบ้านได้เลยวันหลังถ้าพวกจะว่างก็มาเที่ยวที่นี่บ่อยๆได้คุณอาทหารองค์รักที่บ้านขับรถมาส่งครับหลี่วันเอ่ยเสียงเบาถ้าอย่างนั้นก็รบกวนคุณอาด้วยนะคะไม่รบกวนหรอกย้อนเฟย์กำชับอาศัยในบ้านให้เพิ่มกับข้าวในมื้อเที่ยงและควรทาเมนูที่เด็กๆชอบกินด้วยแม้แม่หนูคนนี้คงจะเป็นลูกสาวที่แต่งหนึ่งแถมหนึ่งของอาสเศร้าเหิงสินะ อาสภายยวนกว่าสายตามองหลีหวันหน้าตา ส, สวยทีเดียวดูถ้าแม่ของนางก็คงจะเป็นสาวงามเหมือนกันยวนเศร้าเหิงขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเอ่ยแก้คําพูดของนางอาสภายรองระวังท่าทางคําพูดของท่านด้วยไม่เป็นไรแค่สิ่งที่อาศัายพูดก็ไม่ผิดหลี่หวันรีเอ่ยแทรกเพื่อคลายบรรยากาศนางได้ยินมานานแล้วว่าตระกูลหยวนไม่ธรรมดาและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนางสังเกตเห็นว่ายวนเศร้าเหิงไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเลยทั้งที่เป็นวันตรุษ จ, จีนรอยยิ้มที่มุมปากของนางชะงักไปครู่หนึ่ง คือดูสิแม่หนูคนนี้ใจเขากว้างขวางไม่ถือสาที่ฉันพูดเลยสักนิดเศร้าเหิงเจ้ากลับเป็นฝ่ายถือสาเ ส, ส, ส, สียเองคนที่ไม่รู้คงนึกว่าฉันที่เป็นอสัสไพรองไม่ใช่ญาติแท้แท้เสียอีกอสัสไพร์ยวนจงใจหรือฟื้นเรื่องเมื่อครู่ขึ้นมาอีกครั้งเจ้ารองข้าว่าน้องสไพรยคงจะพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อคืนนี้กระมังมิใช่ น, นั้นเจ้าก็รีพานางกลับห้องไปพักผ่อนเสียเถอดถึงเวลาข้าวค่อยลงมายวนเฟยเอ่อย่างมีเลนยัยสองสามีภรรยาคู่นี้ฉันไม่ดูเลยว่าใครอยู่ที่นี่บ้าง จำเป็นต้องมาถือสากับเด็กด้วยหรือพูดจะิเอะต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่พอยังจะมารังแกเด็กอีกหากเรื่องในวันนี้แพร่ออกไปคนพายนอกจะไม่มองว่าตระกูลหยวนไร้หัวนอนปลายเท้าหรืออย่างไรที่ใหญ่ขอบคุณที่เป็นห่วงเมียผมเมื่อคืนนอนหลับสบายดีครับแค่ชอบพูดล้อเล่นกับเด็กๆนิดหน่อยเท่านั้นที่ไม่ต้องจริงจังหรอกหยวนรองโบกมืออย่างไม่ใส่ใจก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนา ท่านพอท่านแม่ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพที่พวกเด็กๆซื้อมาให้ท่านต้องกินตามเวลาด้วยนะครับอย่ามัวแต่เสียดายจนไม่ยอมกินไม่อย่างนั้นทิ้งไว้นานๆจะเสียของเปล่าๆวันหน้าเด็กๆจะซื้อมาให้ท่านอีกพวกเขาล้วนคำนึงถึงท่านทั้งสองเสมอตื่นดีๆเด็กๆมีน้ำใจแค่นี้ก็พอแล้วพวกเราถือว่าไม่เสียแรงที่รักใคร่อดูพวกเขาท่านผู้เทายวนพยักหน้าด้วยความยินดีนี่คืออะไรคะลหวานเอ๋อถามขึ้นด้วยความประหลาดใจ นี่คือผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพที่ลูกๆบ้านฉันซื้อมาให้คนแก่เป็นของดีที่มีเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นเธอไม่เคยเห็นแน่นอนหนูไม่เคยเห็นจริงๆแค่แตนูอ่านภาษาอังกฤษบนนั้นออกหลิหวันพูดพลางหยิบกระป๋องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดพวกท่านทราบไหมคะว่านี่คือผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพประเภทไหนผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพก็ต้องเอาไว้บำรุงร่างกายนะสิคนแก่พออายุมากขึ้นก็ควรจะบำรุงร่างกายให้ดีมีอะไรหรือหยวนรองเริ่มถามด้วยความรำคาญ คุณปู่คุณแย่ขนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์คณะแพทย์แผนจีนหากพวกท่านไม่รังเกียจให้หนูช่วยตรวจชีพจรให้ดีไหมคะจะได้ดูว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างหลี่หวานไม่ได้สนใจคำพูดของหยวนรองแต่มองคนชาราทั้งสองด้วยรอยยิม้มท่านผู้เฒ่าหยวนและฮูหยินเฒ่าหยวนเมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทุกปีพวกเขาจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตรงไหนมีปัญหาก็รักษาตรงนั้นยิ่งแก่ก็ยิ่งกลัวตาย ลึกๆแล้วพวกเขามีความรู้สึกที่ดีต่อหมออยู่ไม่น้อยแม่หนูตัวแค่นี้จะดูเป็นได้อย่างไรปีนี้เจ้าเพิ่งจะเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยการแพทย์ไม่ใช่หรือนั่นสิเดี๋ยวถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วมาตรวจจนเจอเขาจะไม่ทําให้คนแก่ทั้งสองตกใจแย่หรือสองสามีภรรยาบ้านลองพยายามพูดจาใส่ร้ายหลีหวันอย่างต่อเนื่อง ท่านพอ่อท่านแม่แม่หนูคนนี้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยการแพทย์ได้ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของมณฑลเลยนะและพอเข้าคณะแพทย์แผนจีนก็ได้รับการฟูมฟักเป็นพิเศษจากศาสตราจารย์ในคณะเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์หยวนเฟยเอ๋อรช่วยหลีหวานศาสตราจารย์อาจารย์ของเจ้าคือศาสตราจารย์ท่านไหนท่านภูเฒ่าหยวนถามด้วยความสงสยัยศาสตราจารย์เจียงค่ะคะคือศาสตราจารย์เจียงที่เป็นปรมาจารย์ผู้เป็นเสาหลักแห่งวงการแพทย์แผนจีนท่านนั้นหรือ น้ำเสียงของท่านผู้เทาหยวนสูงขึ้นหลายระดับน่าจะใช้ขดูเหมือนนอกจากท่านแล้วจะไม่มีศาสตราจารย์นำสกุลเจียงท่านอื่นอีกหลหวานกล่าวต่อเมื่อไม่นานมานี้ศาสตราจารย์บอกว่าจะแนะนําหนูให้รู้จักกับอาจารย์ของท่านท่านผู้นั้นอายุแปสปีแล้วเห็นว่าอยากจะแนะนำให้หนูไปเป็นสิทธิปิดสำนักคนสุดท้ายแต่หนูยังไม่ได้ตกลงศาสตราจารย์เจียงเลยให้หนูติดตามอยู่ข้างกายท่านไปก่อนเพื่อให้หนูพัฒนาความสามารถได้เร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ของศาสตราจารย์เจียง